ไว้เพื่ออ่านยากที่เะอแค่ดเด า, าเข้าตั้งใจหรือมองผ่านใจฉันแยกเปียนรู้เล่มที่ดูว่านาอ่านทิ้งเธอไว้บึงตอนเจ้านั่งซื้อดูจึงทรมารอ่านเธอเพียงคราเข้าใจเธอแค่ บ, บางหน้าปิดตายเก็บไว้ไม่เคยรักษา เมื่อเขาจากลาฉันยังคอยขันไว้ทุกคืนวันขันเวลาแค่เพียงช่วยความลืมซ้ายตาของเขาก่อนพบเกินบางตอนอยู่บางช่มเวลาถ้าเขาา้าวันทำไมจบคงจะพบฉันขันหวังนะ ที่เขาอ่านจะไม่ละสายตาวันนั้นคงต้องลากน ไม่สิิ์ได้ครอบครองบทกวีจะไม่คลองจองมาจะนานเท่าไรก็ทำใจจะรักกันอาจอยากไกล้เธอนานนานใจเพียงแค่จดจำแมวตานั้นจะไม่อดเรียกหาผู้อันเมือลันความบาดเจ็บ วันที่งเธอเหงาจะห็นฉันยืนอยู่ตรงที่เก่าแค่ตอนเขาไม่มาแค่เพียงช่วยเาลืมสายตาของเขาก่อนพบกันบางตอนอยู่บางช่วงเวลาแต่เขาทำไม่จบคงจะพบฉันแค่ในวันนะวันที่เขาอ่านเธอไม่ละส า, ายตา จำเป็นไดยินในสิ่งที่ฉันไม่เคยไี้กล้า คือความลืมสายตาของคขาพบกืนบางตอนอยู่บางช่มงเวล จบคงจะพบฉันขังเอาไวาช น, นะนนวั น, นที่เข้ามาเจอไม่ละสายตาวันนั้นคงต้องลาเธอแต่แกใจจะรู้ยังคงคั่นเธออยู่อดใจที่คู่ไม่พลิกดูนานเกินใจจะ